Mm hmm. เคยมีคนสอบถามนักโทษในคุกนะว่าเวลาดูละครนะเชียร์ใครบอกกันว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะเชียร์พระเอกไม่มีใครเชียร์ผู้ร้ายเลยอันนี้น่าแปลกนะ ท, ท, ทั้งๆที่นักโทษหลายคนก็เป็นมือปืนนะหรือว่า ได้ทำผิดกฎหมาย อ, อ่นี่มันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดว่าทำไมนอกโทษร้อยท่องร้อยในสิงเชียพระเอกอา จ, จะเป็นเพราะว่าก็มีความใฝ่ดีอยู่ในใจก็คือถึงน่าจะเคยทำผิดมาแต่ว่าก็ยังนิยมชมชอบคนดีหรือว่าอยากจะเป็นคนดี หรือว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเองรู้สึกว่าเขาเองก็เป็นคนดีเหมือนกับพระเอกเหมือนกันคือคนเราเนี่ยจะเชียร์ใครก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเราอย่างคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราอาจจะมองว่าเขาเป็นผู้ที่นิยมแบ่งแยกดินแดนหรือว่า ฝากไฟประเทศมาเลเซียเพราะว่าพูดภาษาใกล้ๆ ก, กันหรือว่าเป็นเชื้อชาติเดียวกันชาติพันธ์เลยนะแต่เวลาบอลไทยกับบอลมาเลเซียแข่งกันนะคนสามจอยแฉลบภาคใต้ก็เชียร์ทีมไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าทีมไทยกับเขาเนี่เป็นพวกเดียวกันงั้นคนเราเชียร์ใครก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเรา การที่นักโทษในเชียรพระเอกเนี่ยก็น่าจเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากับพระเอกเนี่เป็นผู้เดียวกันนั่นก็หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีซึ่งในแง่นี้ก็ทําให้นาดคิดว่าเออแสดงว่าเขาไม่ได้มองย้อนดูตัวเองเลยหรื อ, รอเพราะว่าถ้าเขามองย้อนกลับมาดูตัวเอง เขาก็จะพบว่าอ๋อผู้ร้ายในละครนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเขาเลยหรือผู้ใหา่เนี่ยคือว่าเห็นตัวเองในตัวละครที่เป็นผู้ร้ายแต่เนื่องจากไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ย้อนมองตัวก็เลยเปลินไปกับละครแล้วก็เลยเชียร์พระเอกแล้วก็ไม่ชอบผู้ร้ายอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นนะกับคนทั่วไปเวลาเรามองหรือดูละครเนี่ยเราก็ไม่ค่อยย้อนมาดูตัวเองเท่าไหร่นักโทษในคุกก็เช่นกันก็ไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองนี่ก็ไม่ได้ต่างจากผู้ร้ายในละคร ผู้อย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ติดคุกนี่เป็นผู้ร้ายหมดนะเพราะว่าคนที่เป็นแพ้ก็เยอะหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้้าคมคือหรือว่าโกงขโมยหรือว่าขายยามันก็มีนะอาจจะผิดเล็กๆน้อยๆด้วยโทรศัทบันดาลโทรศัท์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ ก็คงจะทําผิดจริงแล้วก็ที่ผิดฉับกันก็ไม่น้อยไม่ได้ต่างจากตัวละครที่เป็นผู้ร้ายแต่ว่าเขาดูละครเขาไม่ได้เห็นตัวเองเลยโดยพาการเห็นตัวเองในตัวละครที่เป็นผู้ร้ายอันนี้ก็อย่าว่าแต่นักโทษเลยนะพวกเราเวลาดูละครก็เหมือนกันร้อยทั้งร้อยก็เกลียด ตัวอิจฉาไม่มีใครชอบตัวอิจฉาเลยทุกคนแต่ว่าทั้งๆ ท, งที่หลายคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากตัวอิจฉาก็อิจฉาเพื่อร่วม ง, งานหรือว่าอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหึงหวงว่า เ, าเ้ายามาหวานสเสน่ห์ให้กับ คนรักของตัวหรือว่าอิจฉาถึงกับไปแย่งผู้ชายของคนอื่นมาหรือว่าตัวอิจฉาจะเป็นผู้ชายคนนี้นะไม่ใช่คนมีแต่ผู้หญิงแต่ว่าคนที่มีพฤติกรรมที่อิจฉาคนอื่นก็เขไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในตัวละครที่เป็นตัวอิจฉาเลย ถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้คิดเลย ว, ว่าอ๋อ ก, การแสดงพฤติกรรมปิดฉาหรือว่าใส่ร้ายกันแกล้งคนอื่นเนี่ยมันน่ารังเกียจอย่างไรบ้างหรือว่าเวลาปิดฉาใครแล้วเนี่ยนะก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารอย่างที่เห็นจากละครซึ่งทํามองอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ เป็นโทษของการอิดชาแล้วก็จะพยายามที่จะระมัดระวังตัวเองเพื่อที่จะไม่ทําอย่างที่เห็นในละครแต่ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะจากละครไม่ได้มองเห็นตัวเองจากตัวละครเลยเหมือนกับว่าเป็นคนละเรื่องกัน ตัวละครก็อันหนึ่งเราก็อันหนึ่งไม่รู้จักย้อนมองตัวแต่มันก็แปลกนะเวลาเรามีความคิดปรุงแต่งมีอารมณ์มีความโกรธมีความเกลียดเกิดขึ้นในใจเรากลับไปรู้สึกว่าเราเป็นผู้โกรธผู้เกลียด หรือว่าผู้คิดฟุ้งซ่านไปยึดเอาความโกรธไปยึดเอาอารมณ์ต่างๆว่าเป็นตัวเรามันตรงข้ามกับเวลาดูละครเลยนะดูละครนี่ไม่เห็นตัวเองในละครแต่ว่าเวลาเกิดความคิดฟุ้งแต่งนี้กลับไปยึดเอาว่าเป็นเราเป็นตัวเราสังเกตไหมเวลาฟุ้งซ่านนะ เราจะรู้สึกเราเนี่ยเราเป็นผู้คิดเป็นผู้ฟุ้งเวลาโกรธเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่าเราเป็นผู้โกรธหรือเกิดความเป็นผู้โกรธขึ้นไม่ได้เห็นว่าความโกรธมันก็อันหนึ่งไม่ใช่เราแต่ไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นเราไปยึดเอาความเกลียดว่าเป็นเรายึดเอาความอยากว่าเป็นเรา ยึดเอาความเบื่อว่าเป็นเรามันตรงข้ามกับเวลาเราดูละครเลยเพราะตอนดูละครนี้ไม่เห็นไม่รู้จักมองหรือเห็นว่าเราอยู่ในตัวละครนั้นซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้นะจากละครเพื่อที่ปรับปรุงตัวเองไอ้ที่เคยขี้โกรธขี้ช้าก็จะได้ กรน้อยลงอิจฉาน้อยลงแต่เวลาเมียรมเกิดขึ้นนะกลับไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความทุกข์นสิเกิดความโกัวแล้วเป็นผู้โกรธขึ้นมาก็ทุกเลยนะถูกความโกรธมันเผามีความเกลียดเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเป็นผู้เกลียดก็ใจก็ร้อนมีความเบือ่อ เกิดขึ้นแล้วสัวนตัวเเป็นผู้เบื่อก็ทําให้ไม่อยากจะทําอะไรท้อแท้เกิดขึ้นก็ส่วเราเป็นผู้ท้อก็ทําให้ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทําอะไรที่จริงเมื่อเกิดความคิดแบบนี้อารมณ์แบบนี้ ถ้าเป็นผู้ฉลาดก็จะมองว่านั่นไม่ใช่เราเป็นอีกอันหนึ่งเมื่อมองว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยก็จะไม่ตกอยู่ในอํำนาจของมันมากนักมันก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเราก็เป็นผู้ดูเหมือนกับดูละคราอเนี้เหมือนกับ ด, ดูละครจริงๆเลยคือว่าละครเล่นอยู่เราก็ดู แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราทำกับมันเหมือนกับรู้สึกว่าเราเป็นผู้เล่นด้วยด้วยปูเป็นผู้เล่นเข้าไปเลยนะ้าไปปันตูกับตัวละครก็เลยสินุงตุงนังเข้าไปใหญ่ถ้าเราลองดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรานั้งความคิดต่างๆอย่างเป็นผู้ดู ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นศักดิ์แต่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ลากให้เราเนี่ยเข้าไปทุกกับมันด้วยอันนี้มันตละปัดนะเวลาดูละครแทนที่จะย้อนมาดูตัวหรือเห็นตัวเองในละครเพื่อเป็นบทเรียนนะก็กลับมองไม่เห็นแต่เวลามีอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาในใจ ก็กลับไปยึดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามอารมณ์นั้นสิ่งที่ควรจะเกิดสิ่งที่ควรจะทําก็คือว่าเวลามีอารมณ์หรือความคิดต่างๆเกิดขึ้นเราไม่ไปสมอ้างว่านั่นเป็นเราไม่ไปยึดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แยกออกมาเป็นผู้ ด, ดูส่วนเวลาเราดูละคร ถ้าดูอย่างฉลาดแล้วก็จะดูเพื่อเห็นว่าเออเห็นตัวเองอในละครแล้วก็อาศัยตัวละครนั่นแหละสอนใจเราอย่างที่เขามีภาษีว่าดูละครย้อนดูตัวตถ้าเราดูแบบนี้ดูละครแบบนี้หรือดูหนังแบบนี้เราจะได้ประโยชน์ตัวละครเขาก็จะได้สอนเราว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทํา เวลาเห็นต right ัวฉาแล้วเราก็รู้เห็นว่าโอ้เราก็เป็นองนั้นเหมือนกันเราก็ได้รู้ว่าถ้าเป็นตัวฉาแล้วมันเหมือนก็เป็นยักษ์มารเข้าสิงก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเวลาเห็นคนโกรธเห็นตัวละครโกรธแล้วก็ได้เห็นตอบว่าโอ้เวลาเราโกรธเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อวานนี้เราไปด่าเพื่อนหน้าตาเราเหมือนกับตัวละคร เห็นอย่างนี้ก็เกิดได้คิดโอ้เราเป็นยับเป็นมารซะแล้วคนเราเวลาโกรดนี่ถ้าลองได้เห็นหน้าตัวเองโกรดนี่มันจะสะดุดเลยนะเพราะว่าไอภาพปูนแต่งว่าฉันนี่เป็นคนดีสู่ภาพอ่อนโยนเนี่ยพอมาเห็นตัวเองในกระจกเนี่ยหรือเห็นตัวเองจากจากกล้องที่เขาถ่ายเนี่ยมันมันก็จะสะดุดแล้วก็ได้สติขึ้นมา ว่าเราน่าเกลียดอย่างนี้เชียวหรือเราเป็นยักษเป็นมันอย่างนี้เชียวหรือแต่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่คิดที่จะมองแบบนี้บ้างถึงแม้เราจะ ม, มีโอกาสได้ดูตัวเองเวลาโกรธจากกระจกนะเพราะคนเวลาโกรดนี่ก็ไม่สนใจจะดูหน้าตัวในกระจกหรอกก็มีแต่อยากจะไปลุยไปด่าพราะว่าคนอื่นแต่เราก็อาจจะใสละครหรือหนังนั่นแหละ เวลามีตัวละครโกรธขึ้นมากลายเครี้ยวขึ้นมาเราก็ได้เห็นตัวเองว่าโ อ, โ อ, โอมน้าเกียดอย่างนั้นเชียวหรือหรือว่าเวลาอวดคุยโม้ยกตนข่มท่านจากตัวละครเราก็จะเห็นว่าโอ้เวลาเรายกตนข่มท่านนี่มันไม่น่ารักเลยนะมันแสดงความโง่ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคนเวลายกตนข่มท่านนี่ก็เลือด ว, วเต็มฉลาด แต่ในสายตาของคนอนื่นก็นจะเห็นว่านี่เราแสดงความโง่ออกมาซึ่งเราอาจจะเห็นไม่ชัดจกนกว่าเราจะได้เห็นจากละครแล้วก็เห็นว่านั่นคือภาพสะท้อนตัวเราอันนี้มีประโยชน์ไม่ใช่ทำตรงข้ามคือว่าไม่เห็นตัวเองจากละครเลยนะและวพรเห็นนี้แหละนักโทษทั้งหลายลก็เลยเชียร์พระเอกแทนที่จะเชียร์ผู้ร้าย นะเพราะว่าถ้าเขาเห็นตัวว่าเขาเองก็ได้มีพฤติกรรมอย่างผู้ร้ายก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้เดียวกับผู้ร้ายในละครคก็าจะได้เรียนรู้นะจากผู้ร้ายในละครหรือว่าหรืออาจะทําในสิ่งที่อีอกแบบนกนะ็คือว่าเชียร์ผู้ร้ายซะเลยซึ่งอันนั้นก็คงจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ให้เราเวลากลับมาเวลาเราจเจริญสตินะหรือว่าเรา ใช้ชีพประจําวันเนี่ยให้เรามันดูอารมณ์ของเราหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะจะเรียกว่าอารมณ์ของเราก็ไม่ถูกดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างผู้เป็นนะแต่ว่าเป็นผู้ดูไม่ไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้การเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยดู เห็นอารมณ์ในลักษณะนี้ได้ชัดขึ้นสมมติกว่าเรากำลังดูละครโดยที่เราไม่ได้ไปมีส่วนร่วมในการเล่นในการพันตูบนเวทีเลยเวลาความเครียดเกิดขึ้นนะก็จะเห็นความเครียดนะแต่ว่าไม่ใช่ผู้เครียดเคยมี นักศึกษาคนหนึ่งปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติอยู่ได้หลายวันแกก็ตั้งใจมากแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกก็เลยเครียดก็เลยมาถามหลวงพ่อคำเขียนว่าท้ายังไงดีหลวงพ่อหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อไม่ตอบแต่ว่าพูดกับนักศึกษาคนนั้นว่ายังถามไม่ถูก ยังถามไม่ถูกให้ถามใหม่แล้ว เ, เขาก็ได้คิดสักพักแล้วก็ก็พูดว่าทายังไงหลวงพ่อนะหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินอ่านี่แสดงว่าถามถูกแล้วล่ะทีงแรกนี่หนูเครียดเหลือเกินอันนี้แสดงว่าไปเป็นผู้เครียดละออไปยึดเอาความเครียดมาเป็นตัวกูของกูไป มีตัวกูผู้เครียดขึ้นหรือว่าความเครียดเป็นของกูแต่ว่าพอเขาคิดสักหน่อยเอาจะพ่อเออมันไม่ใช่นะหนูเครียดยังไยกับหนูเห็นความเครียดนี่มันต่างกันนะหนูเครียดนี่มันเป็นผู้เครียดไปแล้วละ่ะแต่หนูเห็นความเครียดนี่ความเครียดเป็นอันหนึง่งความเครียดเป็นอันหนึง่งไม่ใช่ตัวหนู หรืถ้าพูดถูกคือความเครียดก้อนหนึ่งใจก็อันหนึ่งจิตที่รับรู้ก็อันหนึ่งอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างผู้เป็นกับผู้ดูให้เราต้องฝึกนะให้ถูกนะเป็นผู้ดูดูเฉยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าไออารมณ์เหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป มันไม่เที่ยงพอเป็นผู้ดูแล้วนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปปรุงแต่งให้ความให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยืดยาวเหมือนกับกองไฟที่ไม่มีใครไปเติมเชื้อให้มันก็ดับในที่สุดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเข้าไปเติมเชื้อให้มันมันก็เลยลุกโตลงอยู่เรื่อย ในความรู้สึกว่าเป็นผู้เป็นนั่นแหละนะเป็นผู้เครียดเป็นผู้โปรดเป็นผู้ฟุ้งผู้คิดเนี่ยมันก็คือการต่ออายุให้กับอารมณ์เหล่านั้นเราไม่ชอบอารมณ์เหล่านั้นแต่เรากลับไปต่ออายุให้มันหรือว่าเติมเชื้อเติมฟืนให้มันและที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาก็ เกิดขึ้นจากความไม่ชอบนั่นเองคือแทนที่จะรู้สึกเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านั้นมันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นพอไม่ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะผลักไสพอเราอยากจะผลักไสมันเราก็กลายเป็นผู้ไปเติมเชื้อให้มันทันทีความรู้สึก ไม่ชอบมันก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งนะความไม่ชอบความโกรธความเกลียดมันเป็นความยึดติดแบบหนึ่งเช่นนั่งที่อยากจะผักใสแต่ว่ามันกลับยึดกลับติดมันเหมือนกับเวลาเราสังเกตไหมเวลาเรามือเราไปเปื้อนไปเปื้อนน้ํามันไปเปื้อนสีที่มีกลิ่นชุนหรือว่าน้ําปลาหรือปลาล้าหรือว่าที่หมาก็ได้ มันเน้นมันเน้นเราทํางานแล้วก็ล้างมือล้างนิ้วล้างเสร็จเราทำยัางานเอามาดมดมเสร็จไม่ชอบเน้นล้างต่อแล้วทำไงดมอีกเราไม่ได้ทำอย่างนี้กับสิ่งที่หอมอย่างเดียวสิ่งที่ไม่หอมสิ่งที่เราเกลียดเราก็ทําอันนี้ถึงพูดว่าสิ่งที่เราเกลียสิ่งที่เราสืบเป็นลบเนี่ยมันก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งคล้ายๆกับเรา ไม่พอใจว่ามีรถมาขวางขวางหน้าบ้านแล้วรถนี่มันก็ดันอ่าล็อกอไว้ซะด้วยเราก็เข็นยิ่งเราพยายามเข็นออกแรงเข็นมากเท่าไหร่เราอยากจะผลักมันออกไปไกลๆแต่ว่ายิ่งยิ่งเข็นยิ่งผลักตัวเราก็ยิ่งแนบติดชิดกับรถมากขึ้นอยากจะผลักออกไปให้ห่างแต่ว่าตัวเรากับแนบชิด กับตัวถังรถยิ่งอยากผลักมันออกไปแต่ก็ยิ่งยิ่งใกล้ชิดสนิทเหมือนกับที่ผู้บันก่อนว่าเนี่ยเวลาเจอคำสั่งว่าอย่าคิดถึงหมีขาวนะอย่าคิดถึงจระเข้สีชมพูนะมันก็จะยิ่งคิดทันทีเลยยิ่งห้ามก็มนก็ยิ่งอยู่นั้นการที่ใจเราไม่เป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านี้เนี่ย มันมีความยาเขียบผับสายออกไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นการต่ออายุให้อารมณ์เหล่านี้มันอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นหลายคนมักจะพูดว่าไอ้ทาไมรู้ว่าโกรธทำไมมันยังโกรธอยู่รู้ว่าเกลียดแล้วทำไมมันยังเกลียดอยู่ทำไมมันไม่หายไปก็เพราะว่าไอ้รู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้รู้ ด้วยสติที่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะในขณะที่เรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็มีความอยากจะให้ความโกรธดับไปคือมีความรู้สึกไม่ชอบความโกรธนั้นมีความรู้สึกไม่ชอบความเกลียดนั้นมันเกิดขึ้นซ้อนกับความรู้ว่าโกรธและขณะเดียวกันมันก็มีความ ไม่ชอบมีความรู้สึกลบต่อความโกรธความเกลียดด้วยไอความรู้สึกลบที่ซ้อนขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นตัวทําให้ความโกรธความเกลียดหรือแม้กระทั่งความฟุ้งเนี่ยมันมันอยู่ต่อเปรียดเทีย ง, ง่ายๆมันก็ว่ามีไฟแล้วก็เราเราพยายามฉีดน้ําเพื่อดับไฟ แต่บังเอิญไอ้น้ำที่เราฉีดเนี่ยมันดันเจือไปด้วยน้ํามันมันเจือไปด้วยน้ํามันพอฉีดไปเนี่ยถามว่ามันดับไหมมันก็ จ, จะดับนิดหน่อยแต่ว่าน้ํามันที่ผสมเข้าไปด้วยก็ทําให้ไฟมันลุกขึ้นมาใหม่แลเวลาเราบอกว่าเรารู้ว่าโกรธแล้วทําไมมันไม่หายโกรธสักทีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ด้วยสติที่บริสุทธิ์ พอระลด้วยสติที่บริสุทธิ์มันจะมีความเป็นกลางมันจะเป็นอุเบกขาอย่างที่เราสวด เ, เรื่องสัมมาสมาธิเนี่ยพอถึงฌานที่สี่จะบอกว่ามีสติบริสุทธิ์เป็นอุเบกขานะก็คือเป็นกลางแต่ว่าไอการู้ของเราเนี่ยน่่จะรู้ด้วยสติแต่ว่ามันเจือไปด้วยความอยาก ที่จะให้ความโกรธดับไปมันเจอไปด้วยความสุกเป็นลบต่อความโกรธความเกลียดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์แต่มันเจอไปด้วยอกุศลให้ความอยากที่จะให้ความโกรธดับไปเนี่ยมันเป็นตัณหาแบบหนึ่งหรือความสึกลบต่อไอ้ความโกรธความเกลียดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์อกุศลมันไม่ใช่ไม่ใช่สติที่ บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกุศลล้นล้วนงั้นถ้าเราจะเวลาเราเจอไอ้ความโกรธแล้วก็รู้ทันความโกรธเนี่ยต้องเห็นซ้อนเห็นอีกชั้นหนึ่งไปด้วยว่าไม่เพียงแต่รู้ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันได้รู้หรือว่าทันความรู้สึกลบที่มีแต่ความโกรธที่มันซ้อนที่มันแฝงอยู่ด้วยส่วนใหญ่มองไม่เห็นน่ะ รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าไม่เห็นความรู้สึกลบต่อความโกรธนั้นหรือว่าต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นสติเราต้องละเอียดพอที่จะเห็นทั้งความโกรธความเกลียดความฟุ้งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นลึกไปเนื่องเห็นถึงไอความรู้สึกลบต่ออารมณ์เหล่านั้นคือความรู้สึกที่ไม่เป็นกลางถ้าเราเห็น แล้วก็จะช่วยทำให้ใจเราเป็นกลางได้มากขึ้นหรือว่าเป็นผู้ดูอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นกลางเนี่ยมันอยากจะเข้าไปจัดการจยจะเข้าไปกดเข้าไปข่มแต่ถ้าเป็นกลางนี่มันจะดูเฉยๆอันนั้นแหละที่จะทำให้จิตเป็นกุศลอย่างแท้จริงเป็นสติบริสุทธิ์เมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติของจิต เพราะว่าจิตนี่มันรับได้อารมณ์เดียวเมื่อได้มีกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็อยู่ไม่ได้งั้นถ้าจิตเราเป็นกุศลอย่างแท้จริงคือมีสติบริสุทธิ์ไม่มีเจือด้วยความอยากซื่งเป็นอกุศลแล้วเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าอารมณ์อกุศลมันก็จะดับไปมันก็จะไม่ยืดเยื้ออย่างที่หลายคนจะรู้สึก นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะคือมันเจอด้วยความยากมันไม่ใช่เป็นความรู้เธอบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นกุศลเต็มที่แต่ว่าเจอด้วยอารมณ์อกุศลเหมือนกับน้านที่มันเจอด้วยน้ํามันมันก็เลยดับได้ไม่ดีหรือว่าทําให้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นหรือจะเป็นเพราะว่าน้ําน้อยไปก็ได้ที่บอกว่ารู้ แต่ว่ามันไม่หายไปเพราะว่าเหมือนกับไฟที่มันลุกกองใหญ่แต่ว่าน้ำที่ฉีดไปมันเป็นกระปิบกระปรอยนะมันก็ดับได้ไประเดี๋ยวประดาแล้วมันก็พืขึ้นมาใหม่บางทีสติเราอจะอ่อนไปยังไม่ต่อเนื่องคือว่าเป็นแค่ขณะไม่กี่ขณะสติที่มันเป็นขณะขณะนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ แล้วมันถี่เร็วมากเหมือนกับอารมณทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ถทีเร็วมากาสติของผู้ปฏิบัติใหม่ก็ยังอ่อนอยู่มันก็เลยไม่ต่อเนื่องเปรียบเหมือนกับ น, น้ําที่ใช้ดับไฟมันไม่ต่อเนื่องมันก็ปิดกระปอยมันก็เลยดับไฟไม่ได้แต่ถ้าว่าสติของเราพัฒนามากขึ้นมันก็จะต่อเนื่อง เหมือนกับน้ำที่ไหลยอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้สามารถจะดับไฟได้แต่เบ้นแต่ว่าไออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกองไฟเล็กๆ เ, เป็นกองไฟเล็กๆ เ, เนี่ยสติเราแม้จะกระตุกกระปลอยก็ยังพอดับได้อยู่แต่ถ้าเป็นกองใหญ่มันดับไม่ได้หรอกก็อย่าไปท้อถอยแล้วก็ปฏิบัติไปนะเพื่อให้สติของเราเนี่ยเป็นมีความต่อเนื่องมากขึ้น ต่อเนื่องจนเป็นมหาสติก็จะทำให้รับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดน่าสำหรับนับปฏิบัติแล้วคำนี้ก็พูดท่านนี้